ตรัสหมายถึงมูดที่ชื่อว่าอยากเยื่อตรัสหมายถึงขยะมูลฝอยที่ชื่อว่าของเป็นเดนตรัสหมายถึงอามิตที่เป็นเดนกระดูกเป็นเดนหรือน้าเป็นเดนที่ชื่อว่าฝาได้แก่ฝาสามชนิดคือวงเล็บหนึ่งฝาอิฐวงเล็บสองฝาแผ่นศิลาวง เ, två, เล็บสามฝาไม้ที่ชื่อว่ากาแพงได้แก่กาแพงสามชนิดคือวงเล็บหนึ่งกแพงอิฐ วงเล็บสองกำแพงสิลาวงเล็บสามกำแพงไม้คำว่าภายนอกฝาคืออีกด้านหนึ่งของฝาคำว่าภายนอกกำแพงคืออีกด้านหนึ่งของกำแพงคำว่าเทคือเทเองต้องอบัติปาจิตีคำว่าใช้ให้เทคือใช้ผู้ื่นให้เทต้องอบัติทุกกฏผู้รับคำสั่งครั้งเดียวแต่เทหลายครั้งพิจูนีผู้สั่งต้องอบัตปาิจิตี